ขอความเจริญในธรรมจุมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่งปฐพิยานกำลังนำเสนอสมากมันตะคือการงานชอบหรือประพฤติชอบในประเด็นของอธินาทานคืองดเว้นจากการเถอสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยการแหงขโมยคำว่าทัพย์ ก็หมายถึงสองอย่างดังกล่าวไว้ในวันก่อนว่าสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้และอาสังหาริมทรัพย์นี่ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้แต่ทัพทั้งสองประการนั้นคนก็สามารถขโมยได้ช่อโกงได้นะฮะยักจอกก็ได้เพราะนวตีการาต่างๆที่ท่านจัดเป็นอธินาทาน คืออยู่ในพวกอวอาหารห้าประการได้กล่าวไว้บรรจบบรวันก่อนน้นครับก็ให้รายละเอียดไว้มากเราคุ้นๆก็มีอยู่สองแห่งนะครคือในทุติยปราชิกกับในศีลข้อที่สองในพวกเบญจสีตเบญจธรรมก็เป็นเอกสารที่แพร่หลายโดยเฉพาะเบญจสีตเบญจธรรมในค่อนข้างแพร่หลายแต่ว่าหาคนอ่านยาก ก็ไม่ค่อยได้มีการอ่านกันเท่าไหร่คือยังนึกว่าชาวพูดเราเนี่ยนะถ้าเอาธรรมะระ ด, ดับนักธรรมชั้นสีของพระมาะอ่านแล้วไม่ต้องไปตะบุต่อ ว, ว่าพระว่าพูทจะภาษาธรรมะไม่เข้าใจไม่เข้าใจภาษาบาลีอะไรแต่รเนี่ย เพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะยกภาษาบาลีมันก็ยกคำสั้นๆมาเพราะว่าพระนั้นตรหนักถึงฐานะหน้าที่ของตัวเองว่ามันเป็นราชทูตฐานราชสารผลข้อความในราชสารว่ายังไงมันก็ต้องว่าก็อย่างนั้นรวนอธิบายขยายความต่างๆก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะถ้าที่พูดเนี่ยก็นึกออกนะะว่าเรื่องตรงนี้ที่เราพูดมาจยวตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นถ้าหากว่าใครจะถามขึ้นมาเนี่ยว่าอยู่ตรงไหนหรือข้อความประบาลีว่ายังไงก็ต้องอ้างอิงที่ไปที่มาได้อ้างอิงหมดทุกคําไม่ได้หรอกบางคํามันแปลงมาแล้วนะคือคำมาพูดง่ายๆไปแล้วหรือบางทีในการแปลนั่นแหละก็ขยายความได้ด้วยเพราะว่าต้องการสื่อสารเป็นภาษาไทย ง่ายต่กตอการทาความเข้าใจเพราะใ น, นสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่จริงมันก็เป็นภาษาบาลีนะคือพวกที่เคลื่อนที่ได้อย่างนี้บอกบอกไว้ว่าไอาการเคลื่อนที่ได้เนี่ยบางอย่างเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้้ดยตัวของมันเองเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องหยิบช่วยเอา แต่เมื่อประกอบด้วยองค์สี่ประการองค์ห้าประการนะคือรับคือทรัพย์เจ้าของหลวงแหนเรารู้ว่าเจ้าของหลวงแหนมีสิตคิดจะลักทาความพยายามาจะรักได้ของนั้นมาด้วยความพยายามก็ถือว่าผิดศีลด้วยกันประการแรกคือการลักได้แก่การที่หยิบฉวยสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เคลื่อนไหวไปจากที่ตรงนั้นให้เคลื่อนย้ายไปจากที่ตรงนั้น โดยทถ่ใจจิตคิดจะรักมีข้อแม้นะฮะโดยทถ่ใจจิตคิจรักตการหยิบถ่วยข้าของนี่มันมันไม่จะเอานิยาได้เสมอไปวเวลาจะไปรักของเขาจะ บ, บางทีของเขาวางขวางเอาไว้เราก็เคลื่อนย้ายจะหน่อยหรือของก็วางทิ้งไว้เราอาจจะเก็บไปให้เขาอะไรแต่ไรเนี่ยมันก็ต้องมีข้อสําคัญว่าทถ่ใจจิตไถ่ใจจิตนี่คือจิตคิดจะรัก เป็นการตัดสินวินิจฉัยถึงความผิดว่ามันเกิดขึ้นการกระทำทางกายกับการคิดทางใจก็ อ, อย่างน้อยก็กายกระใจแล้วต่อการต่อไปก็คือชิงหรือวิ่งราวหมายความว่าเอามาจากของที่วางใกล้ตัวเขาหรือว่าของที่เขาถือครองอยู่ก็ชิงก็ซับ โดยวิธีการในแต่ยังหนึ่งนะฮะบางครับบางคราวอาจจะเล่นตกเป็ดเอาหรือว่าอย่างแนวการลวงกระเป๋าเนี่ยนะะแนวการลวงกระเป๋าเนี่ยเจะเห็นว่ามันจะเป็นการฉก ช, ชิงประการหนึ่งคนก็ศาสตร์ศึกษาแล้วเรียนกันมาก็แปลกนะเรียนในศาสตร์ที่เพื่อจะทําชั่วในศาสตร์เพื่อจะทําดีเนี่ยมีมากมายกล่กองมายอมเรียนมาเรียนศาสตร์เพื่อทําชั่ว ประการต่อไปคือลักต้อนนะฮะเราจะเห็นว่าอันนี้ก็คือสังหาริมัสซับที่มันเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวของมันเองอาจจะต้อนไปอาจจะจูงไปนะฮะอาจจะเอาไปล่ามไว้ไปมัดไว้ในที่บางตาคนนะก็แล้วแต่วิธีการนะแต่ข้อสำคัญว่าสัตว์นั้นได้ขาดสิทธิจากเจ้าของไป เจ้าของอาจจะยังตามอยู่นะฮะแต่เราก็เป็นโจรไปแล้วคนที่ทำนั่นก็ถือว่าเป็นโจรไปแล้วบางทีก็เรียกจับได้ขาดนังขาเขาอะนะฮะจับได้ขาดนังขาเขาอาจจะตายแล้วหรือว่าอาจจะยังไม่ตายก็ตามนี้ยประการต่อไปคือแย่ง นี่เหตุการณ์นานมาหลายปีมาแล้วก็อยังยังนึกถึงอเมริกาที่คนไทยชื่นชมพยายามไปก๊อปี้วิธีการจัดการที่ซาบอเมริกามาเนี่ยคาอเมริกาก็ไม่ได้ดีเดอะไรนักหนามันก็คือค้นน่ะแต่ว่าโอกาสเนี่ยมันไม่มีมีข่าวสองข่าวทีกับข่าวข่าวหนึ่งไม่เห็นนะฮะแต่เขาเล่าข่าวหนึ่งเห็นเพรเขาเป็นข่าว นิวยอร์กไฟดับดับทั้งเมืองเลยนะฮะทุกคนพร้อมพลิกตัวเองเป็นโจรไปทันทีแม้ตำรวจก็ยังเป็นโจรขโมยเข้าของเงินทองไปทุกตู้กระจกในที่ต่างๆฉกสัวยทรัพย์สินเงินทองไปมากมายบอกไฟจะสว่างได้เนี่ยทรัพย์สินเสียหายไม่รู้เท่าไหร่กันนั้นแสดงให้เห็นดังว่า จิตใจที่มันถูกควบคุมเนี่ยมันไม่ใช่คุมได้โดยจิตสำนึกว่าการรักขโมยเป็นความชั่วแต่ถูกควบคุมเพราะตำรวจจะจับเพราะการโอกาสทั้งหลายเปิดให้แต่นั้นเองสัญชาติยานดิบมันก็ออกมาบางคนเนี่ยการหนักนะฮะไปชุดค้าอาจารย์ไปคมคืนไปไป้ายกันยาใหญ่เลยคราวหนึ่งนี่เป็นเงินของ ธนาคารเนี่ยของกลังอ่นะฮะตรงกระจว่าเป็นของกลังเป็นเงินเหรียญแล้วมันรถบังเกิดอุบัติเหตุนะฮะเหรียญมันแตกถุงมันแตกถุงใส่เหรียญมันแตกเงินนี่เกลื่อนเลยลงเต็มถนนนะเกลือนเต็มไปหมดคนที่เดินเดินอยู่ดีๆวิ่งเข้าไปฉกไปแย่ง ไปเอามาตะโกนห้ามก็ไม่ฟังตำรวจยิงปืนคู่ก็ไม่ฟังกว่าจะไล่จับมาได้เนี่ยก็เอามาได้ไม่หมดอ่ะนั้นขนาดสว่างสว่างนะละักษณะเหล่านี้ยังมีคนนี่เขามาเล่าให้ฟังแล้ววางแล้วเราก็ขบถูนะรถบรรทุกหมูเดี๋ยวก็ผ่าซีีกนะ มันทุกหมูที่เขาผ่าซี่เพื่อ ม, มาส่งที่ตลาดมันเกิดอุบัติเหตุมันทุกรถรถใหญ่เลยรถตู้รถรถสิบล้อมารถเกิดอุบัติเหตุที่ปิดด้านหลังนะ่มันหลุดหมูก็ตกลงกลืนถนนไปหมดโบรถที่วิ่งตามมาข้างหลังนี่หยุดนะฮะ ไม่ใช่อยู่กลัวจะขับรถไปชนหมูคือหยุดหยิบรถหยิบอมหมูทั้งทั้งซี่ตัวตใส่ท้ายรถไอเด็กคนขับรถตะโกนขอร้องเยา่อไปเหยา่อไปเหยา่อไ ป, ไ, ปไม่ฟังที่าหนน่าสลดก็คือว่ารถบังคันเป็นรถเบนซ์ราคาแพงนะยังลงไปเล่นใัเขาด้วยนั่นคือแสดงว่าอาการเหล่านี้มันมีตัวกระตุ้น คือว่าโลภะเนี่ยมันกระตุ้นมาจากข้างใ น, นแล้วโลภะก็ถูกกระตุ้นมาจากข้าง น, นอกแล้วการกระทำของคนอื่นมันเป็นตัวกระตุ้นอีกตัวหนึ่งว่าเอ้เราได้เขาได้เราไม่ได้เราก็เสียเปรียบขอฟังเอาด้วยอันเนี้ยพวกที่พวกปล่อยไปเป็นไปกับเขาวเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆที่บางทีงก็รับไม่ได้อะนะอย่างพฤษภาธรมินอะไรแต่อะไรเน่เราก็ดูเหตุการณ์เราก็เห็นเหตุการณ์อยู่ด้วยนะ แล้วบางเรื่องเนี่ยเราก็มีวิดีโออะไรต่ออะไรเรก็ดูห น, นี่ยเราก็รับไม่ได้แล้วประคนเหล่านี้เป็นวีรชนไม่ได้เพราะมันเป็นอากรรมคือการกระทําที่เป็นอาากรรมแล้วจะถือเป็นวีรชนเนี่ยมันนึกไม่ออกเคยก็รับก็รับกันไปนะเคยก็รับก็รับก่นไปแต่เราก็รับไม่ได้ เพราะนแนวตรงนี้ยเราลองสังเกตว่ามันที่จริงมันแนวโจรกรรมแล้วก็แย่งเอาดือด้อๆเลยแล้วคนเขาก็มังประสบความทุกข์เนี่ยไปกระทืบซ้ําเขาตรงนี้ถ้าในแง่ธรรมะที่พูดบรรก่อนเนี่ยก็คือกรุณานะมันต้องเกิดกรุณาเลยต้องลงไปช่วยเลยตลงไปช่วยเหลือเขาก็ไม่ได้อยากเย็นอะไรนักหนานะฮะ อย่าน้อยก็ช่วยขนหมูใส่ไปในรถแล้วก็เปิดถนนได้ก็ไปเลยเราจะหาคนเนี่ยเพราะงั้นในแนวหลักอุปสาณนาพระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าอุกเทสุรมิชันติในภาวะที่บินวิกฤตเนี่ยต้องการคนที่มีจิตเข้มแข็งคือกล่าหารไม่หวั่นวั่นต่ออุปสรรคอันตรายต่างๆ ในวันวันต่อไอแรงกิเลสที่กระตุ้นกระดันนะไปประพฤติกระทำในลักษณะอย่างนั้นประการต่อไปคือลักษัพลักษัพก็แนวที่พูดไว้ในวันก่อนคือกุศลวหารนะฮะมาความของวางใกล้ๆกันวางปนๆกันอยู่เนี่ยแล้วไปสับเปลี่ยนเทย ในเรื่องวันเรื่องวันก่อนเนี่ยไปเห็นไปนฟังสวดหรือไปอะไรในควยฟงสวดอนะฮะฟังตนะรวดคือตามปกติปัจจัยทยธรรมเนี่ยมันเหมือนกันนะนะฮะเหมือนกันแล้วพระสวดแล้วท่านก็นไปยึดถือว่าเป็นของท่านมากขึ้นไปหน่อยแล้วก็หมายตาเอาหมายเอาไว้เลยทําเป็นเครื่องหมายไว้เลยไปทีจัดที่จริงอันนี้ไม่แปลกนะฮะ คือเหมือนการของมันเหมือนกันอยู่แล้วไม่ต้องไปติดใจรายละเอียดอย่างนั้นคือแต่ละองค์ก็รับการถวายไปตามน้องควรยินดีตามที่ได้มาไม่ว่าอะไรไม่รู้อันไหนเราก็จะไม่ได้แต่ถ้าใจมันไปเกาะไปยึดถือเป็นของเราแล้วเดมก็ยุ่งนะในนี้มันออกมาในรูปของไม่ได้เอาทีเดียว แต่ว่าไปสับสลากคนที่ถูกลักขโมยเนี่ยไม่ถูกสับสลากเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าของเขาจริงๆคืออันไหนคนที่ไปสับมันเป็นคนรู้เราะันเราจะจะเห็นว่าโดยพื้นฐานทางจิตเนี่ยเจ้าของก็ต้องหวงแหนแต่เราก็มีจิตคิดจะรักแล้วทำความพยายามจะรักแล้วก็ได้ของนั้นมาด้วยความพยายามมันก็ผิดอยู่ละ อีกอย่างหนึ่งแนวพวกอสังหาริมทรัพย์คือมันเคลื่อนที่ไม่ได้นะะแนวอสังหาริรมทรัพย์เกษตรเคลื่อนที่มันได้เนที่ดินที่บ้านอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็โดยวิธีการเช่นกล่าวตู่ผู้ทำการตู่ที่ดินเนี่ยมีคนคนหนึ่งเขาสร้างบ้านอยู่ใกล้วัดนะฮะกับวัดเนี่ยเป็นเรื่องแปลกไม่เคยเห็นมาเยอะเลยวัดต่างจังหวัดวัดใหญ่มาก เจ้าพนักงานของวัดที่รับผิดชอบเรื่องเงินแล้วก็มีข่าวแว้ๆ ว, ว่ายักยอกเนี่ยไม่เคยตายดีเลยเนปะ็นเรื่องแปลกมากเกิดอุบัติเหตุรถชนตายบ้างเกิดตกที่สูงตายบ้างแล้วก็บางคนที่มันทำมากๆเนี่ยเป็นน้ำมพตดัมมาพาดไปไหนไม่ได้ลำบากกันหมดทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าเอาเงินเหล่านี้มาเลี้ยงดูครอบครัว เดือร้อนกันหมดทั้งครอบครัวตราะนสมบัติของพระศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คืออย่าไปเล่น น, นะฮะของหลวงกับของพระศาสนาเนี่ยอย่าไปยุง่งมันเรียนเป็นไปเป็นด้วยผลกรรมที่คนหล่นั้นได้กระทำเอาไว้ในกรณีของการกล่าวตูเนี่ยโยงคนเนี้แกตู่เก่ง คือไม่จะตู่ตรงๆนะฮะแกปลูกไม้ไผ่ปลูกไม้ไผ่มันก็ชิดชาแดนชาแดนเลยเขตเขตที่ดินของแกเขตที่ดินของวัดเนะี่ยแล้วก็ไผ่ก็เดินปลูกลุกมาเรื่อยนะปลูกมาเื่อพวกเข้าไปเยอะถ้าด้านยาวแล้วนะรวมพื้นที่เนี่ยไม่ว่าเข้าไปเยอะวัดมันตามปกติแล้ววัดเนี่ยมันเป็นมาโดยไม่ค่อยมีหลักฐานอะไรอะไรหรอก ถ้าเราจะตรวจสอบถึงที่หลักฐานในการครอบครองที่ดินของวัดเวลานี้ก็ <c oughs> ก็เอาอยากนะฮะเพราะกฎหมายจึงห้ามไม่ให้ยกเป็นคดีความขึ้นมาต่อสู้กับวัดเพราะว่าอากฎหมายเกี่ยวกับที่ดงที่ดินอะไรแต่อะไรมันเพิ่งเกิดเนี่ยฮะวัดมันเกิดมานานแล้วแล้วก็เราก็ทํากันเป็นปกติอย่างนั้นแต่ว่าสมภารวันนี้ท่านรู้ท่านก็ไปเตือนปรกโยมลูกที่ดินวัดมาเยอะนะ แกก็วอยวายด่าทอพระอว่าไปใส่ความแก่แต่มันแปลกนะฮะพอถึงแกป่วยนะก่อนจะตายแกนอนบนเตียงไม่ได้มันร้อนร้อนจนไปนอนอยู่ในคือขุดเป็นแอ่งน้ำนะฮะคล้ายๆกับปรัวายนะขุดเป็นแอ่งแล้วก็น้ำเทลงไปแล้วก็ไปนอนกริ้งเกลียวในนั้นสรุปเกิรู้สึกสบายมากแล้วไปนอนอยู่ไหนจาน แล้ในที่สุดพอตายเนี่ยก็มาเข้าขวัญลูกนะะบอกว่าให้เอาที่ดินคืนในวัดเลยไปเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้นะมาเข้าขวัญได้เนี่ยนี่ก็คือเป็นบาปกรรมนะเป็นบาปกรรมที่ทํากับทรัพย์สินเงินทองตรงนี้แต่ว่าบ้านเมืองเราสมัยนี้ถ้าเราลองดูให้ดีว่าที่ดินวัดกับที่ดินป่าชาเอะไรก็ชอบรูปนะชอบบุกรุก วัดกับปาชาเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่รู้ที่วัดกับปาชานะฮะนั่นคือความเปลี่ยนแปลงถ้าเราดูแล้วว่ามันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยไหนคือหลังสงครามโลกครั้งที่สองสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเนะี่ยถ้าเราไปเช็กอ่านเอกสารต่างต่างแล้วจะพบว่าจิตใจคนไทยเปลี่ยนแปลงไปแยะไม่ค่อยกลัวบาปกลัวกรรมทำอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มาจนถึงยุคสมัยที่ ส, สงครามเวียดนาม ไปตะเลิดเลยเข้าป่าเลยตัดเสียนพระพุทธรูปน่าเฉยตตดเฉยแล้วก็โมยพระไปขายก็เฉยเฉยเลยเอาพระพุทธรูปเมื่อปีปศตตรงพันห้าร้อยสาสิบสามนะฮะมาไปที่สห ร, รัฐอเมริกาไปพบนิ้วพระหัตพระพุทธรูปอเมริกาก็เอามาถวายพระไว้แล้วก็บอกเขาได้มาจากเมืองไทย แล้วก็มีตือนนะฮะอให้เอาไปคืนแกก็ไม่จะทํำยังไงก็เอามาถวายพระมันมีเสียงมาเตือนเลยแล้วบางทีก็มีเสียงเดินนะฮะมีเสียงเดินพหลังก็กลัวผีเป็นเหมือนกันไอ้สุด ก, ก็เอามาถวายไว้ที่วัดเพราะได้แนวตรงนี้ยมันเกิดขึ้นจากจิตใจที่เป็นบาปแล้วเวลาเนี้ยมันไปก้าวหน้าไปวันก่อนเนี่ย ได้ความข่าวสองข่าวมันนึกไม่ค่อยออกว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงสังคมเราคือวัดก็จัดงานนะฮะวัดก็จัดงานแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รู้สึกจะเป็นตำรวจหรืออะไรเนี่ยฝ่ายปกครองไงแต่แต่ว่าสองฝ่ายเนี่ยนะไปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อะไปคิดเป็นเงินเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นคล้ายๆกับหุ้นส่วนหุ้นส่วนในวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งบาปนะฮะเรียกอย่างนี้ คือสัญญาประชาคมเราบอกว่าเราจัดงานเพื่อจะทําอะไรอะไรต่ออะไรเนี่ยเงินเท่าไหร่ก็ต้องใช้ไปทํานั้นแต่เวนี้มันความคิดตรงเนี้ยไม่ไม่ค่อยรอบเพราะการจัดงานแล้วก็มีการได้กำไร ม, มีขาดทุนอะไรก็ไม่รู้คืออย่างสมัยอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเวลามีงานเนี่ยเขาก็ไปเสนอให้มีนางตะลุงมีมโนราอะไรต่ออะไรถามว่าเงินค่าจะจ่ายเนี่ยเอามาจากไหน แค่ จ, จัดงานบอกว่าโยมอย่าลืมนะเราประจ่าสัมพันธ์กับเขาไว้ว่าจะหาเงินมาเพื่อทําอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ทําอย่างนั้นแหละเอาไปจ่ายให้หนังให้มโนราให้ลิเกมันไม่ได้หรอกมันเป็นบาปเพราะงั้นถ้าเราจะจ่ายเองก็เอาเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าเอาเงินกองกลางไว้จ่ายเนี่ยมันต้องลองดูให้ดีนะมันมั น, ม, นมันเทศอะ่ะ แล้วก็เลยก็ไม่ใช่เป็นผิดศีลข้อเดียวมันผิดศีลข้อมุสาวาทด้วยแล้วก็ผิดศีลข้ออธินาฐานด้วยเพราะฉะในกรณีของการปฏิบัติที่เกี่ยวกับทรัพย์ทั้งสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระวัดระมัดระวังคือต้องเคารพสิทธิของคนอื่นไม่ใช่ของเราก็คือของคนอื่นตัดสินใจอย่างนั้นเลย ม่ใช่ของเราเราไม่เอามันจะดีจะวิเศษยังไงก็ตามไม่เอาเพราะถ้าเอาแล้วมันเป็นตราบาปนะคือพอเห็นแล้วมันเสียวหลังทุกทีถ้าของนั้นไม่ใช่ของเราจริงๆนะฮะไปลักขับวยบาพอเห็นแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ใจก็จะขุนทําให้ครองชีวิตอยู่ด้วยความเป็นทุกข์ในอย่างอื่น อย่างอื่นคืออาจจะเป็นสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะก็แล้วแต่นะเช่นวาชอบด้แก่การที่รับของฝากก็ อ, อาจจะขายฝาก อ, อาจจะของฝากก็แล้วแต่เช่นที่ดินมาขายฝากอย่างเงี้ยแลว้วก็หาทางยึดของเขาประวันส่งมาถึงกําหนดจะจ่ายหลบนี้ใชบ้างอะไรแต่อะไรบ้างรอการเวลามันผ่านไปนะเสร็จแล้วก็ หรือว่าเขาผิดสัญญายัางนึกถึงว่าคนคนพวกนี้บางทีก็รวยมากนะรวยมากวันก่อนเนี่ยอ่านอะไรอ่ะผู้หญิงคนหนึ่งเขามีที่ดินตั้งหกร้อยกว่าโนดยัยงนึกว่าไ่รคงจะได้มาโดยวิธีอย่างนี้เยอะมันก็เป็นการผิดศีลธรรม ถ้าผิดกฎหมายไอ้ส่วนตาเขาจะสมัครใจขายก็เป็นเรื่องของเขานะฮะแต่ว่าถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่ชอบเอาโมเมเอาก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดกับการต่อไปเป็นการยากักยอกหมายความว่าตัวเองครอบครองสิ่งเหล่านั้นนะนะครอบครองคือดูแลรับผิดชอบเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ยกักยอกเอาไปเป็นสมบัติส่วนตัวเอง จะมากหรือน้อยก็ตามนะฮะสมัยเป็นเด็กเนี่ยได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวัดแห่งหนึ่งผู้ยาญก็เล่านะฮะก็นั่งฟังเขาว่าเออก็ทำให้เป็นขบกลัวบาปตั้งแต่เด็กๆพอ ไ, ได้ยินได้ฟังเรื่องในลักษณะนี้เยอะมีสมผานที่จริงก็เครื่องโปสังกโลกนี่นะทวยโ ถ, โ, ถโอชาโปสังกโลกเนี่ยถ้าก็เป็นสมผานอ่ะ ท่านก็ยักยอกเป็นหายนะฮะแต่จริงแล้วไปไว้บนบนบนคือข้างบนนะฮะบนเพาดานข้างบนแล้วก็เตรียมจะศึกปรากฏว่าก่อนที่จะศึกเนี่ยมันมันข้างบนมันล่นนังกรึบแตกหมดเลยเป็นเรื่องแปลกมากแล้วคนก็ไปเห็นกันนะฮะไปดูกันก็ไปเห็นกัน ของนั้นถูกยักยกแต่ที่จริงยังไม่เอาไปคือยังอยู่บนบนเพดานแต่วันก็แตกหมดแล้วก็มีวัดแห่งหนึ่งนะคว่าตอนสงครามโลกสงครงามงาญี่ปุ่นนะเจะตะนาดีนะฮะคือเห็นว่าญี่ปุ่นกลัวญี่ปุ่นจะไปลอกขุดลอกทองบนยอดเจดีย์ตุเรีนก็ขึ้นไปเก็บออกมาไว้รักษาไว้นะฮะ แต่พอทองมาลงมาจริงๆมันเยอะมากมันเกิดโลกโลค ก, ก็ไปติดต่อไปขายได้เงินแยะก็ ไ, ได้เงินแยอะเันโลคต่ออยากได้มีอะไรศึกศึกไปแต่งงานได้มีเแต่งงานกันแล้วก็ปรากฏว่าลูกเกิดมาเนี่ยไม่มีหนังอันนี้คือเป็นวิบากกรรมที่อะไรล่ะถ้าจะพูดสมมติปัจจุบันว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลก คือฟังไว้เนี่ยมันไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าถ้ากระทาลงไปเราก็เห็นว่ามันผิดทั้งกฎหมายทั้งศีลธรรมไอ้ผลบาปผลบุญอะไ ร, ะไรต่างๆก็ฟังไว้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรแกล้ๆเลยเพราะว่าเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลละชั่วประพฤติดีเป็นประการสาคัญทั้งฝั่งทั้งหลาย แต่ลวมาโพทยญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทั่วกันสวัสดี